บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุ ป, ปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิย่าของปฏิจจสมุปาทคือธรรมที่เป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นจะมีคำเรียกหลา ย, ลายคำเช่นว่าอิทัปปจิตา แปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีพอทำนองกระผลตรุกแดดออกที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของเราที่จริงแล้วแกเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดแกก็เกิดไม่ได้แต่เมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดใครก็ไปสงบประงับแก่ไม่ได้ อย่างที่เราพูดกันในปัจจุบันว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายหัวข้อแรกในช่วงแรกที่ท่านแสดงไว้เป็นการต่อเนื่องกันวิชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารในขณะเดียวกันสขานเองก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชาด้วย เราก็อิองอสายสึกกันด้วยกันอย่างนี้ถ้าหากวาสองอย่างนี้ยังมีจยูวิญญาณก็จะบังเกิดขึ้นมาได้ประเด็นที่ควรทำความเข้าใจก็คือเรื่องของสังขารคําว่าสังขารปรากฏในที่ต่างๆไม่เหมือนกันสังขารแปลว่าของผสมหรือสิ่งที่ปรุงแต่งหมายความว่าไม่มีดูอยู่โดยลําพัง อย่างเดียวถาหากว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยท่านเรียกว่าวิสังขารคือมีอย่างเดียวคือนิพพานถ้านอกจากนั้นแล้วก็ต้องเป็นสังขารคือมีสิ่งผสมกันจะน้อยก็สองอย่างขึ้นไปสังขารในความหมายที่ทรงแสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทนันแสดงไว้ทั้งส่วนที่เป็นผลแล้วก็ส่วนที่เป็นเหตุ ในส่วนที่เป็นเหตุก็คือสังขารที่เป็นบุญที่เป็นบาปและเป็นอเนจชาคือเป็นอรูปฌปานเป็นต้นซึ่งเป็นตัวทาหน้าที่จำแนกพื้นจิตหรือภูมิจิตของคนเราให้มีความประนีตกับแตกต่างกันคนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะลองสังเกตได้ว่าจิตที่ประกอบด้วย บุญจะมีลักษณะเป็นอย่างหนึ่งจิตที่ประกอบด้วยบาปจะมีลักษณะเป็นอย่างหนึ่งจิตที่ประกอบด้วยฌานด้วยสมาธิจะมีลักษณะเป็นอย่างหนึ่งจุดที่แตกต่างกันก็คือความมากน้อยของกิเลสและความมากน้อยของธรรมะจิตที่เป็นบาปนั้นจะมีธรรมะอยู่น้อยแต่จะมีกิเลสอยู่มาก วันกิเลส จ, จึงเกิดขึ้นคลุ้มรุมใจคนเป็นเดทธรมพูดคิดไปในทางที่เป็นบาปมากกว่าในทางที่เป็นบุญจึงเป็นวิทีชีวิตของบุคคลประเภทที่เราเรียกว่าเป็นคนผ่านหรือเป็นอันานจิต ใ, ใจที่เป็นบุญนั้นก็ถือว่ามีกุศลธรรมมากกว่าอกุศลธรรมหรือมีความดีมากกว่าความชั่ว แต่ไม่ได้หมายความเป็นจิตที่บริสุทธิ์หมดจุดจิตที่ยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏยังตกอยู่ภายใต้กระแสของอารมณ์แต่ก็มีความหนักแน่นมั่นคงมากกว่าจิตประเภทแรกพฤติกรรมที่แสดงออกในชีวิตประจำวันจะเป็นกุศลมากกว่าอกุศล โดยเฉพาะอย่างยิ่งึ้นในเรื่องของความคิดเวลาประสบอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสคดยบุคคลสามารถดูที่จิตเราได้ว่าจิตเรานั้นเกิดกุศลหรือเกิดอกุศลหรือเกิดรู้สึกเฉยๆรู้สึกกลางๆเช่นสมมติว่าเป็นสิ่งของที่สวยงามซึ่งมีเจ้าของวางทิ้งไว้ เราเกิดรู้สึกเฉยๆเกิดรู้สึกอยากได้หรือเกิดรู้สึกสงสารห่วงใยต่อเจ้าของที่ทิ้งของเอาไว้ก็ปรารถนาที่จะไปบอกกล่าวหรือเก็บรักษาไว้ให้เขามันก็ดูที่จิตของเราได้ว่าเวลาไปเจอสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเจอสิ่งเหล่านี้ข้าวจะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ถ้าเป็นความรู้สึกต้องการอยากได้ก็หมายความว่ากิเลสยังเกิดขึ้นครอบงาใจอยู่มากแต่ถ้าเกิดรู้สึกสงสารเจ้าของจนถึงก็ดินร น, นควนขวายต้องการจะเก็บรักษาเอาไว้แล้วก็นําไปเกิดให้เจ้าของก็หมายความมีกุศลเจตนาบางเกิดขึ้นปรุงจิตอยู่สูงในขณะนั้นแม้วัตถุสิ่งของเหล่านั้นจะ ยั่วยวนตายัยวนใจของบุคคลให้เกิดความอยากได้แต่ก็ไม่เกิดความอยากได้ในกรณีที่เกิดเฉยๆนั้นท่านเรียกว่าฉลังกุเบกขากูเบขาในอารมณ์ทั้งหกไม่ปรุงจิตให้เกิดความยินดีหรือความยินร้ายแต่ในกรณีนี้ถ้าหากว่าเป็นกุศลธรรมจะต้องออกมาในรูปของการ เกิดความสงสารต่อเจ้าของทรัพย์สมบัติเดนั้นจนถึงเพียนพยายามที่จะเก็บรักษาเอาไว้หรือนำไปคืนให้เจ้าของพระโบกพระอุบเบกขาบางเรื่องนั้นถ้าคืนใช้ไปแล้วก็จะมีปัญหาอย่าี่มีการพูดกันว่าคนไทยไปมุงดูเด็กตกน้ำ แล้วไม่มีใครยอมช่วยเหลือเมื่อพลังไปสอบถามมาทําไมไม่ช่วยเหลือบอกว่าเป็นเรื่องกรรมทั้งสักต้นจะเห็นได้ว่าลักษณะนี้ไม่จริงถามว่าจริงก็หมายถึงการใช้ธรรมะไม่เป็นเพราะในกรณีที่คนอื่นสัตว์อื่นประสบอันตรายนั้นจะต้องเกิดกรุณาจิตขึ้นหรือเกิดไมตาจิตขึ้นถ้าใครขืนไปใช้มุติตาหรือเบกดขาแล้วก็หมายความว่ามันไม่มีธรรมะ ธรรมะในภาคปฏิบัติจึงต้องมีผลในทางบำบัดทุกข์เสริมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กือกูณและอำนวยความสุขให้ต่อกันคือให้ตั้งแก่ตนเองและให้ทั้งแก่บุคคลอื่นแม้จะเป็นธรรมะแต่บางการบางโอกาสขืนใช้ข้าวมันก็กลายเป็นไม่ใช่ธรรมะไปได้นั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็น สังขารที่แกปรุงจิตของบุคคลจนถึงกับมีลักษณะของการแสดงออกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าความดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากซึ่งก็หมายความว่าถ้าจิตถูกปรุงด้วยสังขารที่เป็นบุญมากมีอัตยายสัยมีความโน้มน้อมเข้าหาความดี เปลี่ความดีแล้วก็จะเกิดชันท่อุตสาหะที่จะเพียนพยายามประพฤติปฏิบัติเปียนพยายามที่จะฟังที่จะคิดที่จะกระทําความดีเหล่านั้นจะมากหรือน้อยก็ตามคือมีมีการกระตุ้นจากข้างนอกหรือไม่กระตุ้นจากข้างนอกเพราะการกระตุ้นนั้นอาจจะกระตุ้นจา ก, กจิตสํานึกเราเองก็ได้หรือมีคนกระตุ้นมีการเชิญชวนก็ได้ แล้วกุศลและเจตนาก็บังเกิดขึ้นต้องการที่จะทำต้องการที่จะพูดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเดียวันแต่สมหรับคนชั่วแล้วจะมีราอาการต่อต้านเพราะกิเลสประเภทต่างๆนั้นเพื่สังเกตว่ากิเลสประเภทโลภะก็ควายคว้ามาเพื่อตัวเองแล้วก็กอดรัดอุ้มเอาไว้สมหรับตัวเอง เพราะเมื่อมีการเชิญชวนชักชวนให้บริจาคทาให้เสียสละให้มีการสงเคราะห์เกื้อกูลซึ่งอะไรกันเนขารู้สึกเป็นการสูญเสียแทนที่จะรู้สึกว่าเป็นการได้ถ้าผีกับคนที่มีพื้นฐานทางกุศลปรุงจิตจุ่เขาจะรู้สึกว่าเป็นการได้แทนที่จะเป็นการเสียเป็นการสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นการสละประโยชน์ที่มีช่วงการดำรงอยู่น้อยไม่นานเพื่อ ประโยชน์ที่มีช่วงการดำรงอยู่นานพระบุญกุศลกับทรัพย์สิ่งของนั้นจะมีความแตกต่างกันบุญกุศลนั้นไม่สาธารณะทั่วไปแก่โจรทั้งหลายคือใครทำคนนั้นก็ได้ไปจะมีภัยอันตรายบางเกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะขโมยความดีที่มีอยู่ภายในใจบุคคลไปได้เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาพิณิพิจนาแล้วก็พร้อมที่จะกระทาความดี เขาจึงทําได้ง่ายสำหรับตัวเขาแต่พอเป็นคนทั่วคนพานก็จะทําไม่ได้รู้สึกว่าเาการสูญเสียพรอกิเลสประเภทโทสะเป็นกิเลสประเภททําลายแต่ถือว่าการมาเชิญชวนจักชวนในการทําความดีก็คือการทําลายเขาก็จะเกิดความโกรธกิเลสประเภทโมหะนั้นเป็นกิเลสประเภทที่อุ้มไว้กอดรัดไว้โดยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเพราะงั้นโอกาสที่จะสลับ จึงเกิดขึ้นไม่ได้ได้รับสั่งตอกไปอีกครั้งหนึ่งว่าความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายแต่คนดีทําได้ยากเพราะคนชั่วนั้นมีพื้นแมตยาสายลคล้ายกับร่างกายที่ไวต่อเชื่อโรคก็พร้อมที่จะรับเชื้อโรคจิตใจของบุคคลที่มีบาปมีอกุศลดุมากบางครั้งอาจจะมีการชักชวนจากข้างนอกบางครั้งอาจจะเกิดจากการตรึกนึกตัวเองภายใน น้อมใจเข้าไปสู่ความชั่วใช้การไปที่ยวในสถานที่ต่างๆสถานที่เริงรมต่างๆอยู่ในกลุ่มของอาบายมุขทั้งหลายพะเป็นนักเลงในด้านต่างๆคนบางคนเกิดเร่าร้อนมันต้องไปโดยไม่มีใครจากชวนคือแสดงว่าแรงกระตุ้นนั้นมาจากข้างในแต่บางทีนั้นไม่ถึงกับ มีคนมีการกระตุ้นมาจากข้างในแต่มีคนมากระตุ้นจากข้างนอกชักชวนเช่าซีโดยวิธีการต่างๆถึงลักษณะการชักชวนมันก็แสดงเองถึงความเข้มแข็งในด้านจิตใจของบุคคลบางคนตะโกนให้สัญญาณก็ไปแล้วบางคนต้องบอกกล่าวถึงจะไปบางคนจะต้องพยายามชักชวน เช้าซีด้วยวิธีการต่างๆหรือบางคนอาจจะต้องถึงกับมีอะไรเป็นรางวัลมีเครื่องล่อแถมเข้าไปในด้านต่างๆจึงจะสามารถดึงเขาไปสู่สถานที่เหล่า น, นั้นได้สแสดงว่าพื้นฐานที่เป็นอกุศลเองก็มีความอยากกลางประณีตในตัวเขาเองแต่ในสุดเขาก็ทําได้ง่ายพอมาถึงจะให้ทําความดีก็เป็นการทวนกระแสเขาก็ทําไปได้ดังติดตามแล้ว มันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาการของจิตที่ขึ้นปรุงจิตของบุคคลแต่ประเภทอเนินชานั้นเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวไปแล้วเป็นจิตระดับฌานถึงเป็นผลของการปฏิบัติสมถะกรรมฐานขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอยู่ด้วยกุศลตลอดแต่ตอนนี้ทานั้นไม่ได้หมายความไม่มีอกุศลเปลี่ยนแต่ว่าอากุศลสงบอยู่ภายในจิตถ้าไม่มีแรงกระแทกกระทันมาจากข้างนอกมากเกินไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะ ทำให้ท่านหวั่นไหวได้ท่านจึงเรียกว่านเนญชาแปลว่าไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวก็อารมณ์ปกติธรรมดาไม่ใช่ไม่หวั่นไหวก็อารมณ์ที่ทั้งทั้งกระทบทั้งกระแทกทั้งกระทุง้งทั้งกระทำถ้ารมณ์กระทำบ่อยๆมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันเช่นว่าท่านที่จะวางอยู่ในฌานถูกรบกวนด้วยวิธีการต่างๆใช้เสียงบ้างใช้รูปบ้างใช้การกระทำในลักษณะต่างๆบ้าง ถึงจุดหนึ่งท่านก็คงจะรักษาจิตใจเอาไว้ไม่ได้แต่ในนี้ขึ้นอยู่กับความหนักแน่นในด้านจิตใจกำลังของฌานที่ท่านได้รับในขนาดนั้นๆและมีความลึกซึ้งขนาดไหนแต่สรุปว่าพวกนี้ยังอ่อนไหวได้อยู่เพียงแต่ว่าอ่อนไหวได้ยากเท่านั้นเองเพราะเป็นระดับของบุญกุศลนั้นจะต้องมีความหวั่นไหวได้ยังไม่มั่นคงไม่คงที่ คนที่คงที่นั้นในบางระดับก็ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคงที่อย่างแท้จริงก็คือพระอระหันต์ทั้งหลายเรียกพุทธบุคคลทั้งหลายคือพระอระหันต์พระปฏิจเจ้าพรพุทธเจ้าพระสมานสัมพุทธเจ้าเป็นสังขารที่เป็นส่วนผลสังขารที่เป็นส่วนเหตุเหล่านี้ก็นําคนไปสู่ครบในลักษณะต่างๆจะมีความหยาบกลาง ระนิดที่ท่านเรียกเป็นพบเป็นภูมิขึ้นมาโดยสรุปแล้วก็เป็นกามาภูมิเป็นรูปภูมิเป็นอรูปภูมิเป็นเรื่องเป็นการมาพบเป็นรูปภูปมอิอรูปภูจริงมันเกิจดจากภูมิจิตก่อนหมายความภูมิจิตของบุคคลขึ้นไปอยู่ในระดับนั้นแลยจะเขาไปสู่ขัวกามาภูมิก็อลองดูง่ายๆกันลยกันดูง่ายๆว่าในชีวิตปจัจบท ปัจจุบันของเรานั้นว่าภูมิจิตเราอยู่ตรงไหนและจะนำไปเราไปสู่สถานที่นั้นเร่อาจจะเทียบตัวเทียบเคียงตัวอย่างดูง่ายภายานในใจคนเช่นว่าเราคนรักสีห้าคนมาซึ่งภูมิจิตที่มีลักษณะเป็นจิตสันดาลของเขาแตกต่างกันคนหนึ่งเป็นนักเลงสุราคนหนึ่งเป็นนักเลงเล่นการพนันคนหนึ่งชอบดูการลเล่นต่า ง, างคนหนึ่งชอบกิน คนหนึ่งชอบเขาวัดพังทำจำศีลคนหนึ่งชอบงานศิลปะเป็นต้นเนี่ยแล้วเรามาว้ดในที่เดียวกันต่อมาก็ให้คนเหล่านั้นเดินไปบนถนนสายเดียวกันแล่ในถนนสายนั้นมีทั้งร้านอาหารมีทั้งโรงโมรสมีทั้งบ่อนการประ น, นันมีทั้งโรงดื่มสุรามีทั้งวัดมีทั้งงานสแสดงศิลปะต่างๆ แต่คนเหล่านั้นจะไปสู่ที่นั้นตามภูมิจิตของเขาคนที่มีภูมิจิตติดใจพอใจในเรื่องสุราเขาก็แวะร้านสุราติดพอใจในการดูการเล่นก็แวะร้านที่การแสดงการเล่นเป็นต้นแล้วคนเหล่านั้นก็จะแยกกันก็ทำให้พบคือที่ไปหรือที่อยู่ของเขาไม่เหมือนกันเพราะอาการของภูมิของพบที่ต่อเนื่องกันที่จริงเราดูได้แม้แต่แต่ละขนา การเหยียดออกไปเป็นสังสารวัตเป็นเรื่องของการที่ยาวไกลออกไปเท่านั้นโดยชั้นของจิตแล้วเราก็เห็นกันในแต่ละขณะดจิตเพราะพกับภูมิจึงมีความสัมพันธ์กันภูมิจิตเป็นเหตุให้นําไปสู่ภบที่อุบัติของชีวิตซึ่งประกอบด้วยวิชาสังขารวิญญาณและก็เป็นนํารูปอริยตนะเป็นต้นในกระบวนการของปฏิาการิราหรือกระบวนการของปฏิจจสมบัติ คือบางครั้งก็ส่งสอนให้เกิดความเข้าใจว่ากรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนมีความเลวมีความปีิสแตกต่างกันออกไปเพราะจากการจำแนกของกรรมนั้นเองก็ทำให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาและในชีวิตนั้นมันก็มีสังขารเพิ่มปรุงแต่งอีกทีหนึ่งท่านเรียกว่ากายจะสังขารว่าจีสังขารแล้วก็จิตตสังขาร กายสังขารคือสิ่งที่ปรนปรือกายอยู่ก็คือลมหายใจเข้าออกที่บางทีท่านใช้คำว่าอายุไอายุ่นบิญญาณอะความแม้ทั้งสามอย่างนี้ยังมีอยู่แม้อวัยวะจะบกพร่องไปบ้างจะพิกลพิการไปบ้างหรือว่าขาดหักไปบ้างแต่ว่าสามอย่างนี้ยังมีอยู่ชีวิตของบุคคลเราก็ยังมีอยู่ลมหายใจเข้าออกจึงเป็นตัวปรนปรือร่างกายอยู่ศราบ์ใดที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ตัพทนั้นก็จะ การดำรงชีวิตก็จะมีอยู่เพราะลมหายใจจึงกลายเป็นอารมณ์ทั้งของสมถกรรมฐานและของวิปัสสนากรรมฐานแต่เพิ่งสังเกตว่าลมหายใจเข้าออกที่จริงแกก็เป็นสังขารในตัวแกเองก็มีองค์ประกอบต่างๆเปน็นอันมากหายใจเข้าไปครั้งหนึ่งนั้นมีอะไรอยู่บ้างโยยะไปหมดเลยในเวลาหายใจออกมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือแสดงว่าตัวลมเองก็ถูกปรุงแต่งอาการที่หายใจเข้าจะอาการที่หายใจออกเองก็มีการปรุงแต่งกัน พระเจ้าจึงทรงสอนเอาอารมณ์หล่นี้ทางด้านด้านสมถะก็คือการตักกันการทั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมอย่างปฏิบัติกันแล้วมาดูไปดูไปใจสงบอยู่กับลมแนบนั่นอยู่กับลมก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นในลมก็ยกตัวลมขึ้นนั้นเองขึ้นพิจารณาตามหลักของพปฏตหลักแต่บางครั้งเราดูตรงนี้ไม่ได้ เราจะไปดูจากข้างนอกมาดูจากคนอื่นดูจากสัตว์อื่นซึ่งประกอบโดยลมหายใจเข้าออกเช่นเดียวกันถึงเขาอาจจะแตกดับไปแล้วเราก็ดูในตอนนี้นเขาแตกดับแล้วจนมองเห็นเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างเรากับบุคคลอื่นล้วนขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วก็เป็นสังขารที่จะต้องมีการแตกดับไปเป็นธรรมะ แต่บางทีเขาส่งเอาไอ้ตัววิญญาณที่มันออกจากร่างไปแล้วสมายความในขณะนั้นลมหายใจไม่มีก็ดูที่ตัวลมหายใจไม่มีอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นอารมณ์กรรมาฐานอีกตัวหนึ่งนั้นก็คือพวกอสุภะกรรมาฐานให้เราสังเกตอสุภะกรรมาฐานที่จริงก็คือดูสังขารที่ขาดลมแล้วแล้วตอนนั้นเอง ปรากฏออกมาในรูปลักษณะต่างๆตามการเวลาหรือตามคมสัตวาวุธเขี่ยวสัตว์ต่างๆเป็นต้นที่มาทำให้สร้าศพหลานั้นเปลี่ยนแปลงไปแลวกลายเป็นอารมณ์ความกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งหรือบันทีก็ทรงสอนให้ดูในแนวของคาถาหรือภาษิตที่ท่านใช้ที่เราเรียกว่าบางสกุลเป็นบางสกุลเป็นที่จริงเป็นมนสติ คือต้องการเตือนสติคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้พิจารณาถึงความตายที่พร้อมจะเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นไม่ว่าในขณะใดก็ตามแต่เราเามากลายเป็นรูปแบบพิธีกรรมไปเอาคนที่ต้องการจะบังสกุลเป็นก็มานั่งคูหลังขึ้นมาแล้วผ้ามาคลุมแล้วไก็ได้สายศีลมาบงเข้า แล้วก็พระชักบางสกุลโยงมันน อ, นนอนหลับตาน้อำความหลับตาอย่านี้ก็ไม่รับรู้อะไรเลยทำตีคล้ายคบางสกุลที่จริงแล้วในลักษณะของตัวธรรมะที่ท่านพูดนั้นเป็นการคําสอนเป็นการเทศเป็นการแสดงทังสัจจะของชีวิตที่บุคคลพวกนั้นเรียนจากร่างกายของท่านโดยท่านบอกว่าอาจิรังมาแตอย่างกายโยกายนี้ไม่นานเนอ คือทั้งกายของผู้พูดแล้วก็กายของผู้ที่ต้องการจะบังสกูลเาไม่นานเลยปัทวิงที่เสดสติจะลม้ลมลงเหนือแผ่นดินจุโดโอเปตวิญญาณโอภวิญญาณออกไปจากร่างแล้วในราถังวะกลิ่งกระรางก็เหมือนกระ่อดไม้ที่กลิ้งไปกลิ้งมาเดืหาสาระอะไรไม่ได้นั่นคือภาพการวิตจริงๆมีการเรียนจากอะรเรียนจากสังขารที่ไม่มีลมหายใจคือกายสังขารหมดไปแล้ว ตัวปลนปลือให้ชีวิตแต่รงอยู่ด้านหมดไปเขาก็กลายเป็นอารมณ์ร่วมกับฐานอีกอารมณ์หนึ่งซึ่งบุคคลสามารถที่จะพินิจพิจารณาจากอารมณ์ตัวนี้ก็ได้เพราะอะรเพราดูลมหายใจก็ออกที่จิมูกก็ดูยากอยู่มันก็ดูที่ซากศพเพื่อเห็นได้อย่างชัดเจนจนสามารถมองเห็นเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างกลับหรือไม่ั้นอาจจะดูที่ตัววจีสังขาร วจิสังขารคือก่อนที่จะพูดเนี่ยมันเกิดมาจากความคิดก่อนคือถ้าเราพูดโดยไม่คิดก็เป็นเถือพร่งพร้าแล้วเลือนไปก็ไม่ได้เรื่องในราวอะไรเมื่อก่อนจะพูดที่จริงมันมีสังขารขึ้นมาปรุงก็เรียกวิตกกับวิจารณคือเราจะต้องฝึกนึกซะก่อนเราจะพูดอะไรจะพูดอย่างไรพูดกับใคร พูดไปแล้วจะได้จะเสียอย่างไรแล้วก็มีวิธีการที่จะพูดเพราะนบางครั้งเราให้ลองสังเกตว่าถ้าเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตมีความสลัสำคัญการร่างสุนทรพจน์ร่างกฎหมายหรือร่างอะไรต่างๆจะต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบกันเป็นทีละคำกัทีเดียวเพื่ออะไเพื่อให้เกิดความกระชับรัดกุมถูกต้องรัษาเจตนาลมเป้าหมายของคาพู ด, ดนั้นไว้อย่าง ไม่มีใครสามารถจะแปรผันไปได้เพราะในลักษณะ น, นี้จึงต้องอาศัยวิตกวิจาร์เนี่ยเข้าปรุงแต่งมาวิตกก็คือความตรึกนึกความเหนียวนึกถึงเรื่องต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเช่นสมมุติเราจะพูดถึงธรรมะแล้วก็มีวิตกวิจาร์ตรึกนึกขึ้นมาก่อน ตัวอย่างเช่นเราจะพูดถึงเรื่องสติสัมปชัญญะหรือพูดเรื่อง C, อินทรีย์อะไรต่ไหนเรพูดเรื่องสีหามันก็ต้องมีมีวิตกวิจารณ์นึกนึกขึ้นมาก่อนอสีหานั้นมีอะไรบ้างสีหานั้นมีองค์ประกอบยังไงบ้างทําไมจึงสมบัญญติสีห้าเอาไว้ทําให้คนไม่ปฏิบัติสีห้าจะเป็นยังไงที่จริงตัววิตกวิจารณ์เองนั้นเขาก็เป็นกลางหรือเขาไม่ดีไม่ชั่วอะไรเขาเรียกว่าเป็น เป็นพวกอพยากฤตเป็นธรรมชประเภทกลางๆไว้จากกลางๆเขาขอนั่นเองทําให้เขาเป็นได้ทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วก็ต่างๆกลางๆให้เราสังเกตว่าเร็วเวลาเราประสบอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดต่ออารมณ์เหล่านั้นของคนเราก็คือวิตกวิจารเด็กนี่ทันชาบาลีวิตกวิจารนั่นเองเราจะมีความรู้สึกได้ถึงสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง ในอารมณ์เดียวกันในขณะเดียวกันนั่นเองแต่เราก็อาจจะมองจากหลายคนคือคนหลายคนมองอารมณ์เหล่านั้นจะมีความรู้สึกแตกต่างกันบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็เฉยๆหรือแม้แต่การฟังธรรมะมันก็จะมีความรู้มีความเข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็เฉยๆ อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคือลักษณะของความตรึกนึกซึ่งตัววิตกเองที่ถูกปรุงด้วยสิ่งดีบ้างในสิ่งไม่ดีบ้างนั้นความคิดของบุคคลที่จริงเป็นความคิดที่ถูกปรุงแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจิตกับเจตสิก ค, คือสิ่งที่เข้ามาปรุงเนี่ยกับสังขารทั้งหลายที่เข้ามาปรุงเนี่ยก็ เ, เกิดร่วมกัน เขามีารวมเดียวกันแล้วก็กดับไปร่วมกันดับไปด้วยกันบางทีเวลาพูดในธรรมดาท่านก็ไม่พูดละเอียดเป็นจิตเป็นเจตสิกอะไรกท่านพูดเทาันความคิดเฉยๆก็เรียกว่าความคิดที่เป็นที่ดีหรือไม่ดีหรือความคิดที่เป็นกุศลหรือกกุศลซึ่งก็เป็นไปตามสิ่งที่เข้าปรุงจิตในขณะนั้น ตดวเองเองคำพูดของคนถึงไม่สม่ําเสมอพูดดีอยู่ไม่ได้ตลอดหรือพูดไพเราะไม่ได้ตลอดแม้ในการพูดไม่ดีก็พูดไม่ตลอดเหมือนกันเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะถูกอกุศลปรุงจิตอยู่ตลอดไปจนถึงก็พูดไม่ดีทุกๆ ก, กรณีไปเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าชั่วมากหรือว่าดีมาก แต่ชั่วมากก็มาความดีน้อยแต่ดีมากก็มาความชั่วน้อยก็เท่านั้นเองที่นี้ในต่างในการปรุงแต่งจิตต่นีเราสังขารเหมือนกันแต่กระสัญญาคือสิ่งที่เราทรงจำไว้กเกวทนาคือความสุขความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจต่างๆที่เคยสร้างความรู้สึกให้แกเรามาแล้วมันเกิดขึ้นปรุงจิตของเรา ซึ่งประชาชนหลายๆนะลองสังเกตดูว่าบางทีเราได้ยินเสียงไม่ได้เห็นหน้าหรอกแต่ได้ยินเสียงเราอาจจะรู้สึกดีใจเสียใจหรือว่าเฉยๆถ้าดีใจมายความไงมายความว่าเสียงนั้นเราจําไว้ในฐานะเสียงของเพื่อนเสียงของมิตรเสียงของคนที่เรารักเราเ ร, เราก็ได้ความรับความสุขมาจากการได้ยินเสียงนั้นได้เกี่ยวข้องกับเสียงนั้น แล้วเกิดความดีใจแต่บางทีพอได้ยินเสียงแล้วสะดุ้งเหือกเพราะอะไรเพราะเราจําเสียงนั้นได้ว่าเป็นเสียงของสัตว์สู่เป็นเสียงที่ก่อความรําคาญหงุดหงิดในแกเรามานานเหลือเกินแล้วก็เคยเจอเสียงนี้แล้วเราก็หงุดหงิดทุกทีคือทุกเวทนามันเกิดขึ้นทุกทีเลยแก็เกิดสะดุ้งขึ้นเพราะพวกนี้จะทําหน้าที่ปรุงจิตให้เราสังเกตว่าสัญญาก็ดีเวทนาก็ดีนั้นเป็นเรื่องของอดีต เราจะต้องเคยจำเรื่องเหล่านั้นมาก่อนถ้าเราไม่เคยจำเราได้ยินเสียงครั้งแรกเราก็ไม่รู้นะก็จะเฉยๆไปกันแต่ว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อใจก็คือการทรงจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำเย็นร้อนอ่อนแข็งจำอารมณ์ต่างๆเอาไว้แล้วไอ้สิ่งที่เราจำนั่นเองมันเคยให้ความสุขความทุกข์ความกลางๆแกเรามาแล้ว พรพอสัมผัสอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกต่ออารมณ์ทั้งหลายของคนเราจึงมีลักษณะเป็นสามอย่างดังกล่าวคือพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยๆอันนี้ก็คือตัวความทรงจํากับการที่เคยเสวยอารมณ์ในสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวปรุงแต่งมาเป็นตัวกําหนดให้มีความรู้สึกต่ออารมณ์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามการกําหนดในอดีตของบุคคล เพราสังขารเหล่านี้เองมันสังเกตว่ามันก็เป็นทั้งส่วนของสภาวธรรมที่จะต้องเกิดดับไปตามปกติธรรมดาเป็นที่เกิดของกุศลเป็นที่เกิดของอกุศลแล้วตลอดถึงมาหมดพวกกุศลอกุศลปรุงแต่งครับหมดบาปหมดบุญไปแล้วมันก็กลายเป็น น, นิพพานมันก็อยู่กันที่ตรงนี้เองคือเกิดขึ้นที่จิตแต่ลงอยู่ที่จิตแล้วก็ดับไปที่จิตของบุคคลเป็นประการสำคัญ อารมณ์เหล่านี้จึงใช้ได้ทั้งในส่วนของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั้งในส่วนของสมถกรรมฐาน ว, วิปัสสนากรรมฐานตลอดถึงสัมผัสคุณเบื้องสูงขึ้นไปต่อเตนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสุข